ยอมทําทุกเธองตะเกีดตะไกรหึๆๆตะเกีดตะไกรคุณคิดว่านางแบบเชาอย่างปารีสฮิลตันมีอิทธิพลแค่ไหนหลายคนคงยักไหล่และคิดง่ายๆว่า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 สอนให้ได้อย่างเนี้ยหรือทํานองนี้ล่ะครับถึงจะแก้ปัญหาของโลกยุคต่อไปได้จริงบทความโดยดังกริ่นจากมิตยาศารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ห5เสียงอ่านโดยโจโช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 แม้จะลม้มก็คิดจะคลานเมื่อจะสร่านประเซ็นก็คิดแล้วคุม้มจะขอไปเป็นยังวังจะร้อนหรือเนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คุ้นกันไปก็หายกันไปห้นททง